อุปเชษทกกรรมคนที่ตายโดยอุปเชธทกกรรมก็คือผู้ที่ตายด้วยอุบัติเหตุต่างๆหรือตายเพราะถูกเขาฆ่าตายคำว่าอุปเชธทกกรรมแปลว่ากรรมที่เข้าไปตัดชีวิตก่อนที่ยังไม่ถึงกำหนดคือยังไม่ทันจะสิ้นกรรมที่ทำให้เกิดมาในโลกนี้หรือยังไม่ทันสิ้นอายุก็มาตายซะก่อนโดยปกติ